มาดูข้อความในหน้า3หน้า28ข้อ39ต่อไปเนี่ยนะตรงนี้เพียงแต่เพิ่มคําว่าเอกะตะเอกะตะนี้ท่านบอกว่าความที่มีอารมณ์เดียวนะเอาอารมณ์เดียวเข้ามาบวกนะอย่างอาวัชชนะเนี่ยนะสภาวะที่นึกนึกก็คืออาวัชชนะนั่นเองอาวัชชนะนี้แบ่งออกเป็นสองใช่ไหมคือปัญจทวาราวัชชนะกับ มโนทวาราวัชนะถ้าแบ่งตามทวารนะได้หกจากขู่ทวาราวชณนะโสตทวาราวชนะคานาะชิวหากายะจนถึงมโนทวาราวัชนะอาวัชนะก็คือนึกอันนะเพราะอาวัชนะเนีญญ่ยเป็นวิญญาณเขาว่ากันเป็นวิญญาณจริยาประพฤติด้วยวิญญาณส่วนสภาวะที่รู้แจ้งก็สภาพของจิตอันนะี้ส่วนรู้ชัดอันนี้ปัญญาส่วนจนําได้ก็คือสัญญาสัญชาตนอันนะ้ สัญชานะก็รู้ทั่วสําคัญหมายมันก็การนึกการรู้รู้ด้วยปัญญาก็รู้ด้วยสัญญาพวกนี้ก็ท่านบอกว่าบวกกับเอกัตถะสัพท์ทุกแห่งก็คือมีอารมณ์เดียวอนะส่วนธรรมะที่เป็นธรรมเอกผุดขึ้นสภาวะที่เนื่องเนื่องกันนะนะอุปนิท t h â ทักษ์ก็คือเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันไป ส่วนสภาวะที่แล่นไปสภาวะที่พ่องใสสภาวะที่ตั้งมั่นหลุดพ้นสภาวะที่เห็นว่านี่ละเอียดอันนี้ก็เป็นการพูด <c oughs> พูดอะไรพูดชามแบบใช้คํำย่อๆอักขันธนปะปสีธนะสันติธนะวิมุตชนะเนี่ยนะเจ้นั้นนะเ <c oughs> มื่อจิตเบาอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างนี้แล้วน้อมจิตไปเพื่อละลึกชาติได้ชาดหนึ่งสองชาดสามชาติเป็นต้นเนี่ยนะ ก็พวกนี้พวกฌานเหล่านี้เป็นตัวว่าจิตเล่นไปผ่องใสตั้งมั่นหลุดพ้นนะก็พวกฌานจิตทั้งหลายเขาเป็นแบบนั้นส่วนสภาวะที่ทำให้เป็นดังเช่นยานเนี่ยนะก็คือความชำนาญพิเศษของสมาธิผู้ที่ชำนาญเรียกว่ามีอาวัชนาวสีมากๆกเนี่ยก็จะชำนาญในการนึกนึกให้เข้าสมาธิก็ได้นึกเมื่อไหร่ก็เข้าได้ทันทีผู้ที่ชำนาญจริงๆเนี่ย ผู้ที่ชำนาญในการอบรมสมาธิไม่ว่าจะเป็นกสินนึกกระสินใดก็เข้ากสินนั้นได้เลยนึกและเข้าชานได้เลยเพราะนั้นอันนี้เป็นความความคล่องแคล่วของท่านเหมือนกับยานที่เทียมไม่ดีแล้วเทียมยานไม่ดีแล้วนะถ้าเป็นสมัยนี้ก็บอกรถติดเครื่องแล้วอย่างเงี้ยนะพร้อมที่จะไปได้เลยส่วนสภาวะที่ทําให้เป็นที่ตั้งมั่นตรงนี้ก็สมาปัชฉาวสีก็คือการเข้าเพราะการเข้าก็คือตั้งมั่นอันเดียวกันเป็นที่ตั้งเนี่ย สภาวะที่ตั้งขึ้นเนืองๆก็อธิฐานณวสีตั้งอยู่เนี่ยสภาวะที่อบรมก็วุฒฐานาวสีก็คือการออกส่วนที่ปรารบชอบด้วยดีเนี่ยนะปรารบชอบด้วยดีเนี่ยก็คือปัจเจกขณะวสีส่วนปริกหะก็คือการกําหนดปริวาระบริวารอีกปริปูนะก็บริบูนเต็มรอบปริปูระปริบูนะเนี่ยนะพวกกําหนดบริวารเต็มรอบ สภาวะเป็นที่ประชุมที่ประชมก็คือจิตเจตสิกตั้งไว้แล้วโดยชอบด้วยการประชุมในอารมณ์เดียวสภาพที่อธิษฐานก็คือจิตเจตสิกเหล่านั้นครอบงำอารมณ์แล้วถึงพระแล้วตั้งมั่นส่วนที่เสพก็คือเสพโดยเอื้อเฟื้อทั้งสมถะและวิปัสนาที่เจริญก็คือทำให้มันมีขึ้นทาให้มากก็คือทาบ่อยๆที่รวมด้วยดีก็คือทาให้มาก แล้วก็ทําอย่างดีด้วยนะก็หลุดพ้นด้วยดีจากธรรมที่เป็นฆาศึกตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นการอธิบายสภาวะธรรมของผู้ที่อบรมสมถวิปัสนาอย่างต่อเนื่องเนี่ยจะมาอ่านพวกนี้จะเข้าใจดีว่าการเจริญกุศลธรรมนี่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันมีองค์ประกอบกังเยอะแยะไปหมดเลยนะเรียกว่าพูดตามสภาวะของจิตที่มันเนียนสภาวะของจิตเขาเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี่ม า, าส่วนสี่บทกล่าวด้วยอำนาจโทษชงโทษชงก็คือองค์ธรรมะเป็นเครื่อง ตรัสรู้คําว่าหรือหรือหรือเนี่ยนะลองใช้เลีนสอขีดลงมาก็ได้ให้รู้ว่าแบ่งเป็นสองในแต่และอย่างแบ่งเป็นสองในเช่นพวุทธชนะเนี่ยนะพุทธชนะก็เหมือนกับพุทโธอ่ะที่ตรัสรู้ตรัสรู้ตามตรัสรู้เฉพาะตรัสรู้พร้อมเนี่ยแบ่งเป็นสองในในแรกตรัสรู้คือโสดาปติมมัตตรัสรู้ตามคือสากท า, าคามีมัตตรัสรู้เฉพาะคืออนาคามีมัตตรัสรู้พร้อมคืออรหัตมัต ในที่หนึ่งนะส่วนในที่สองสภาพที่ตรัสรู้คือวิปัสนาตรัสรู้ตามคือโสดาปฏิมักรตรัสรู้เฉพาะคือสกะทาคามีมักอน า, าคามีมักรอรหัตตมักตรัสรู้พร้อมคืออริยผลทั้งหลายเนี่ยนะมีโสดาปฏิผลเป็นต้นนนะก็เลยแบ่งเป็นสองในเนี่ยน ะ, ะเนื้อหาต้องดูในในเอกสารที่แจกไปนะดูง่ายหนะ่อยถ้าดูในพระไตรปิฎกก็ถ้าดูเข้าใจก็สบายนะ แต่ว่าจะอันนี้รวบให้ดูสรุปสรุปย่อๆก็พอละเนี่ยนะส่วนโพชงเนี่ยนะพชงเนี่ยเช่นภาวะที่ตื่นตื่นตามตื่นเฉพาะตื่นพร้อมก็ในยะเดียวกันนั่นแหละคือโสดาปฏิมาศกทาคาหมิมมักเนี่ยเช่นตื่นก็ตื่นด้วยโสดาปฏิมาตื่นตามก็สกทาคามิมมักตื่นเฉพาะก็อนาคามิมักตื่นพร้อมก็ตื่นด้วยอะรหัตมักเนี่ยนะตื่นหรือยังยังหลับสนิทอยู่เลย ยังมันตื่นหรือยังอ๋อสนทนายอ่ตื่นก็ตื่นด้วยโสดาปฏิมัคเอินตามด้วยสกะทาคามิมัคเอินเฉพาะด้วยอนาคามิมัคเื่นพร้อมด้วยอรหัตมัคข้างล่างตื่นหรือยังขอให้ตื่นนะหรือตื่นด้วยวิปัสสนาใช่ไหมเตื่นตามด้วยโสดาปฏิมัคเอินเฉพาะด้วยภาวนามัคก็ตื่นพร้อมด้วย อริยผลทั้งหลายเนี่ยนะก็ะคือแบ่งออกเป็นสี่ใช่ไหมเป็นกลุ่มละสี่กลุ่มละสี่ใช่ไหมถ้าเป็นกลุ่มอย่างนี้ก็คือเอาอริยมรสมาอธิบายพันมร์เนี่ยเป็นลักษณะรู้ตื่นอย่างผู้รู้ก็รู้ด้วยมร์เลยนะผู้โทผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยนะก็รู้ด้วยมร์ตื่นด้วยมร์เนี่ยนะนี่แหละตื่นเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นที่แท้จริงส่วนโพธิปัจจียธรรมเนี่ยนะ โพธิปัขยัิเถนะเนี่ยนะก็คือธรรมะที่เป็นไปในฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ตรัสรู้ตามตรัสรู้เฉพาะตรัสรู้พร้อมตรัสรู้นะฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ก็โสดาปติมัคฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้ตามก็สกะทาคามีมัคฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้เฉพาะก็อนาคามีมัคตรัสรู้พร้อมก็อรหัตมัคนะส่วนสภาวะที่สว่างสว่างก็คือวิปัสสนาเนี่ยโชตะนะสองสว่างเลยนะ ผู้ที่มีปัญญาก็เจริญวิปัสสนาก็วิปัสสนาปัญญาเนี่ยสองสว่างให้เห็นเลยสภาวะที่สว่างขึ้นก็สว่างขึ้นด้วยโสดาปิมัคสว่างเนืองเนืองสากอาธานมีมัคสว่างเฉพาะอนาคามีมัคสว่างพร้อมก็อรหัตมัคก็คิดดูนะว่าตรัสรู้เตินฝากฝ่ายแห่งความรู้สว่างเนี่ยนะโอ้พวกเตื่นรู้สว่างในคําเหล่านี้ สูงมากเลยนะหมายถึงอริยมรรคทั้งนั้นเลยอ่ะนะจึงจะเรียกว่าตื่นจริงอ่ะนะผู้ที่ยังไม่ตื่นด้วยโสดาปฏิมร์เป็นต้นก็ชื่อว่าหลับอยู่เขาเขาพูดอย่างนี้ว่าพวกปุถุชนเนี่ยนะจมอยู่ในห่วงน้ำคือโอคะถ้าโสดาบันก็แงนหน้าขึ้นมองเห็นฝั่งแนละ้วถ้าสกะทาคามีก็ไหวผ้านนาคามีก็ไปเหยียบอะไรเนะเหยียบในที่ตื่นแนละ้วแต่ยังไม่ได้ขึ้นผ่าหันก็ขึ้นบกเลย ของเราก็จมอยู่ในห่วงน้ำเลยนะยังโผล่ไม่ได้เลยยังตื่นไม่ได้แล้ยนะหลับไปเลยหลับทั้งภายนอกหลับทั้งภายในนี่ลําบากมากเลยนะทั้งหมดเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเลยนะควรรู้ยิ่งควรเจริญให้รู้ยิ่งส่วนข้อ40นี่อธิบายอริยมรรคอธิบายอริยมรรคว่าสภาวะที่อริยมรรคให้สว่างสวัยรุ่งโรจน์ให้สว่างเนี่ยคือทําให้มันสว่างสวัยรุ่งโรจน์รุ่งเรืองอะนะ ปตาปะตาปะนะเนี่ยปตาปะนะจะทำให้สว่างฉนั้นอริยมรรคนั้นทําให้สว่างอริยมรรคทาให้รุ่งเรืองรุ่งเรืองก็คือประพา ส, สอนประพา ส, สอนแต่ว่าผุดผ่องอย่างยิ่งนะอริยมรรคนี่รุ่งเรืองประพา ส, สอนนะะที่ชื่อว่าอริยมรรคก็คือให้กิเลสทั้งหลายเร่าร้อนทํากิเลสเนี่ยให้มันร้อนให้นั้นแห้งไปเลยเนี่ยส่วนอริยมรรคไม่มีมนทินด้วยสักะด้วยโสดาปฏิมร ปราศจากมนทินด้วยสกทาคามีมักอนาคามีมักหมดมนทินด้วยอรหัตมักอันนี้ในที่หนึ่งในที่สองบอกไม่มีมนทินด้วยมักของพระสาวกปราศจากมนทินด้วยมักของพระปเจกหมดมนทินด้วยมักของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะก็แบ่งเป็นสองในก็ไม่มีมนทินปราศจากมนทินก็ดอกบัวใช่ไหมไรมนทินปราศจากมนทินหมดมนทินแล้ว คำเหล่านี้เอาไว้ชมพระพุทธเจ้ า, าได้หมดเลยเอาไว้สรรเสริญไว้ยกย่องไว้เจริญพุทธคุณส่วนต่อไปอีกว่าสภาวะที่อริยมรคนีิสงบมรคนี้สงบอยู่แล้วน ะ, ส ม, ะนะ ส, สมาณะสงบสม่ำเสมอสภาวะที่อริยมรคให้กิเลสระงับสมะยะตรงเนี้นะี่จริงสมะยะระงับบางทีก็อริยมรคเป็นตัวประหารกิเลสเห็นไหม ประหารกิเลสให้กิเลสสงบระงับดับโดยไม่มีเหลืออริยมรรคนั้นเป็นวิเวกใช่ไหมเป็นประเภทสมุทเฉทวิเวกสภาวะแห่งความประพฤติในวิเวกวิเวก ค, คือนิพพานเนี่ยนะเพราะอาริยมรรคเป็นตัวประพฤตในนิพพานเพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์ท่องเที่ยวไปในนิพพานก็เป็นนิสรณนะวิเวอกอริยมรรคนี้เป็นที่คลายกำหนักรสมุทเฉทวิเวก ประพืิในความคลายกําหนัดก็แสดงว่าอริยมรตมีนิพานเป็นอารมณ์เป็นนิสันวิเวกสภาวะเป็นที่ดับก็สมุทเฉท น, นิโรธก็อาริยมรต น, นะนะสมุทเฉทแล้วก็ประพฤติในความดับก็คือเที่ยวไปในนิพานคือทุกข น, นิโรธสภาวะที่ปล่อยปล่อยแบบไหนปล่อยแบบสละกิเลส ก, ก, กับปล่อยแบบเล่นไปในนิพานปริจจาฆะกับปักขันะนธนะนะแบบปล่อย พันพวกอริยมรรคนี่ชื่อว่าปล่อยก็เพราะว่าปล่อยกิเลส ด, ด้วยอำนาจสมุเทเฉทาประหารใช่ไหมปล่อยด้วยการเล่นไตปักขันธนะเล่นไปในนิพพานเล่นไป น, นิพพานคือทํานิพพานให้เป็นอารมณ์อันนี้คือสภาวะที่ปล่อยเนี่ยปล่อยก็คือวสักขะนะวสักขะส่วนโลก ว, วสักขะจริยาก็คือประพฤติในความปล่อยก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์นั่นเองเพราะตัวที่ปล่อยจริงๆจากสังขตะธรรมก็คือพระนิพพาน สภาวะที่หลุดสภาวะที่พ้นเนี่ยนะวิมุตตะวิมุติเนี่ยนะก็คือพ้นจากด้วยสมุทเฉธาปหานประพฤติในความพ้นก็ประพฤติในพระนิพานที่เป็นนิสรณาวิมุติสังเกตดูนะไอคําว่ามีคําว่าประพฤติประพฤติอยู่ด้วยเนี่ยเป็นชื่อของนิพานเพราะอาจจะอริยมรรตประพฤติในวิเวกอริยมรรตเป็นที่คลายกําหนัดประพฤติในธรรมเป็นที่คลายกําหนัดนั้นก็จะแบ่งเป็นคู่วนะมรรต น, นิพานมรรต น, นิพานมรรต น, นิพาน เพราะว่าอาพระนิพพานกับอริยมรรคเนี่ยเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนั้นว่ามรรคกับนิพพานเกี่ยวเนื่องกันเพราะว่าผู้ต้องการพระนิพพานต้องเจริญมรรคแล้วอริยมรรคเป็นตัวที่คว้าหานิพพานเป็นธรรมชาติที่ค้นหาหนุนิพพานโดยส่วนเดียวเหมือนเข็มทิศ น, นะนีชี้ไปแต่ทิศเดียวนะนิพพานก็ลักษณะเดียวกันเออขอพภัอริยมรรคก็ลักษณะเดียวกัน ชี้ไปหาทิศคืออมะตะทิศคือนิพพานโดยส่วนเดียวประพฤตินี่หมายคว่านิพพานอาริยมรตมีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะขณะนั้นอนะ่ะโดยโดยขณะจะเรียกว่าเจริญก็ได้แต่ขณะนั้นมีนิพพานเป็นอารมณ์ก็เหมือนกับว่าอยู่ในจริยะเนี่ยนะจรไปในนิพพานอนะ่ะจริยะตัวนั้นก็ประพฤติหรือจรท่องเที่ยวอยู่ในนิพพานโดยที่มีนิพพานเป็นอารมะนปะจัจจัย ก็ส่วนรายละเอียดเแบบนั้นก็ตัดบรรลุแล้วรู้เองไม่รู้ว่าประพฤติว่ายังไงก็ไม่ทราบก็เป็นปริญญาโดยกิจไม่ใช่โดยอารมณ์ทําปริญญาโดยกิจไม่ใช่อารมณ์คือของเราเนี่ยนะมันทําแต่โดยอารมณ์รู้อย่างเดียวคือทั่วๆไปเนี่ยเข้าใจเรื่องปริญญาก็คือรู้แต่โดยอารมณ์เพราะว่าขณะที่อริยมรรคเกิดขึ้นเนี่ยชื่อว่าขณะนั้นกําลังทําปริญญา ชื่อว่ากําลังละโดยกิจโดยกิจชื่อว่ามีนิพพานโดยอารมณ์เนี่ยนะแทงตลอดสัจจะโดยอารมณ์เพราะว่ามันผ่านการทําปริญญามาเป็นอย่างดีแล้วก็แล้วก็ได้รับการละมาโดยลําดับเนี่ยนะพอนี้มีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์จึงชื่อว่าทําปริญญาอย่างแท้จริงเนี่ยนะเพราะว่าพิจารณาแบบวิปัสสนาเนี่ยนะคือพิจารณาเพื่อกําจัดกิเลส แต่พิจารณาแบบปัจเจกคือพิจารณาว่าอะไรเหลือแล้วอะไรละแล้วอย่างเช่นการพิจารณาในใ น, าในทุกขสัต์เพื่อละกิเลสนั้นนะ่ะเป็นการเพื่อจะถ่ายทอนกิเลสโดยส่วนเดียวส่วนปัจเจกขณะยานก็กลับไปดูหมายว่ายังเหลืออะไรบ้างนแล้วก็มาทำปริญญาอีกครั้งหนึ่งก็ย้อนกลับไปดูว่าอะไรวิจัยเสร็จแล้วบ้างอะไรยังเหลือ